ถ้าเรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอแล้วก็คือเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดการตลอดเวลา mm hmm. หลวงพ่อชาสุภัทโท ถ, ถ้าหากว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอแล้วละก็ เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาบทความนี้เป็นบทสรุปที่ดีมากหลวงพ่อชาท่านได้กล่าวเอาไว้ก็มีญาติธรรมบางท่านนำเอาบทความนี้มาให้ซึ่งมันเหมาะกับช่วงแห่งการเจริญสติของเราพอดีเลยเพราะว่ายันใดที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ อ, อยู่กับปัจจุบันเนี่ย เราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นปกติจิตที่เป็นปกติกายวาจาก็ปกติไปด้วยกายวาจาปกติเราก็เรียกว่าศีลศีลมีครบบริบูรณ์เลยอันนี้นคือส่วนกายส่วนวาจาและส่วนจิตใจที่เป็นปกติจิตขนาดนั้นเนี่ยก็จะเต็มพร้อมไปด้วยสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาคือมีความรู้สึกตัว รู้กายรู้จิตความเป็นปกติของจิตของกายนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากแต่แต่ละวันเนี่ยเราสามารถรักษาจใจเป็นปกติได้ด้วยการรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือรู้สึกตัวอยู่ที่จิตใจที่มันคิดมันนึกคอยดูคอยรู้คอยสังเกตก็เป็นความเพียรนะ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 หรือมีโรคภัยให้เจ็บมาเบียดเบียนแม้กระทั่งความตายปัญหาท้นนัานจิตใจสิ่งตัวเราสร้างขึ้นมาเองบ้างหรือผู้อื่นนามามาฝากไว้บ้างประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักคือความไม่ได้ดั่งใจหรือพัดพลากจากสิ่งที่เรารักอันนี้ก็คือปัญหาต้นนันจิตใจเราก็เคยได้สัมผัสมาบ้างแล้วแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอ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 บางทีแทนที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาแต่กลับเพิ่มปัญหาเพิ่มภาระให้กับจิตใจเราเนี่ยต้องแบกรับปัญหาไปด้วยปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขแต่กลับเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อเราจะดับไฟเนี่ยแทนที่จะเอาน้ำไปดับกลับเอาน้ำมันไปราดไฟมันก็รุกโชนโชดช่วงชัตะวนันเพราะเราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกทางกาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทุกๆ ท, ท่านเนี่ยไม่สามารถจะหลีกหนีได้กายเป็นทุกข์จิตใจก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยไปคิดปรุงแต่งมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นที่ตัวเราเลยนี่มันน่าจะแก้ไขได้จิตปรุงแต่งเพิ่มภาระทางด้านจิตใจไม่ได้ช่วยแก้ไขาทางด้านร่างกายด้วยและจิตใจก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย ปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขทุกทางกายแต่จิตใจนี่ยกับเพิ่มพระไลเป็นทุกข์หนักทําให้ทุกข์นี่มันมากยิ่งขึ้นทวีคึ้นมากยิ่งขึ้นอันนี้เพราะว่าเราขาดสติขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติสักหน่อยเราจะรู้ว่าอ๋อธรรมดาเนาะเรื่องของกายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้แหละถ้ากายมันไม่ป่วยมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนมันต้องป่วยเป็นธรรมดาใช่ไหมอย่ารู้ใจเราก็พ้นจากปัญหาที่จะเป็นทุกข์ใจได้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไข ด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยปัญหาก็จะคลี่คลายไปได้หรือปัญหาทางด้านจิตใจสาคัญ น, นะเนี่ยมันสร้างความทุกข์มากเช่นว่าบางครั้งเราอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างซึ่งบางทีเราก็ไม่ใช่ต้องการให้เกิดปัญหาแบบนั้นแต่ความเข้าใจผิดบางอย่างทําให้ปัญหานั้นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากจะอธิบาย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 จิตใจที่ไม่ปกติเข้าไปแก้ปัญหานี่โอ้แทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นเพิ่มปัญหาทำให้ทิฏฐิมานะของผู้ฟังลนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นทะเลาะเบาแวงกันมีอยู่บ่อยๆคนใกล้ตัวเราก็มีนะคำอธิบายบางอย่างแม้ว่าจะมีเหตุผลดีแต่ถ้าจิตใจเราไม่ปกติคำอธิบายนั้นมันก็อาจจะอ่อนกำลังลงหรือด้อยค่าไล่ราคาไปเลยก็ได้มีหลายครั้งที่บางคนเจตนาดี ผู้ที่ได้ยินได้ฟังกลับกลายเป็นเห็นเป็นสิ่งที่เจตนาล้ายหรือทับถมนอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วกลับเป็นการเพิ่มปัญหาหมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติเราก็จะแก้ปัญหาด้วยทิฏฐิมนณะหรือตัวตนคือจิตที่ไม่ปกติเข้าไปแก้ปัญหาแล้วนะมันก็ไม่สาเร็จประโยชน์เหมือนอย่างกับเอาน้าส ก, กรปรก ไปล้างสิ่งสกรปรกก็มีแต่เพิ่มความสกรปรกมากยิ่งขึ้นปัญหาไม่แก้ไขแต่ว่าเพิ่มปัญหาเมื่อปัญหาก็ขึ้นถ้าเรามีสติรักษาจใจเป็นปกติสัก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหานะบางทีใจที่เป็นปกติเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นปัญหาก็ได้นะถ้าใจที่เป็นปกติเข้าไปแก้ปัญหาปัญหาก็จะคลี่คลายไปเหมือนอย่างกับเอาน้าสะอาดไปล้างสิ่งสกรปรก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 ฝึกความรู้สึกตัวเท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆ เ, มอเพื่อจิตใจเนี่ยเข้าสู่เพราะที่เป็นปกติการเจริญสติจะทำในรูปแบบก็ตามหรือนอกรูปแบบการใช้ชีวิตประจวั น, เ, นเราต้องสังเกตดูใจเราการปฏิบัติต้องทำด้จิตใจที่เป็นปกติเริ่มต้นจากความเป็นปกติของจิตทำใจเป็นปกติทำแบบผ่อนคลายสบายๆเนี่ยฝึกทำใจให้มันสบายสบาย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 จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งอาจจะพูดว่านี่ฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมเธออย่าโกรธนะเห็นไม่มมีการบังคับไปเขาโกรธจการพูดเป็นเรื่องของเราเห็นว่าการพูดนี้ดีแล้วแต่เรื่องความโกรธเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรานที่จะไปห้ามเขาไม่ให้โกรธสงความโกรธเป็นเรื่องของเขาเนีคืออย่าไปบังคับอย่าไปฟื้นอะไรทุกอย่างโดยเพราะความคิดความปรุงแต่งต่างๆอย่าไปบังคับถ้าเราไปบังคับแม่มันคิดเนี่ยิมันจะเครียด ก็ปล่อยให้จิตใจเราคิดปลยให้คนอื่นเขาคิดปลให้คนอื่นเขพูดแล้วก็คอยมีสติรู้ไว้แม่ว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปหักห้ามแล้วก็อย่าไปตามนะการตามความคิดการเชื่อความคิดทําให้จิตใจเราเนี่ยหลงหลืมเผลออย่าไปตามอย่าไปห้ามแล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดการเข้าอยู่ในความคิดเนี่ยอันตรายมากเท่ากับเป็นการแบกความคิดไว้ในจิตใจเราเลย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 ใจเราก็จะเป็นทุกข์อีกแล้วทั้งการปฏิบัติธรรมทั้งการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่าไปสร้างความหวังอะไรไว้แต่ถ้าจิตมันคิดหวังมันมีความมุ่งมั่นมีความยึดมั่นว่าจะต้องได้แน่นอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะไม่ต้องมีอาการแบบนี้ความคิดแบบนี้เราไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเราก็รู้มันอ๋อนี่จิตใจเรามันเกิดความโลภไปนะอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วน่เนี่ยให้มีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่ มันเกิดขึ้นในจิตใจเราอย่าไปเอาเหตุเอาผลการปฏิบัติก็ดีการพูดคุยกับใครก็ดีเนี่ยการยกเหตุยกผลเนี่ยบางทีมันํำให้เพิ่มภาระมีปัญหามากยิ่งขึ้นก็ได้เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะเนี่ยหมถ้าชนะก็ยิ่งพยองถ้าแพ้มันก็มีความเศร้าหมองในจิตใจโดยเพราะยิ่งการเจริญสติ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 รู้สึกตัวเนี่ยพ่าทาให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานผ่องใสสิ่งเราเนี้ยเป็นความสุขที่เราไม่ต้องหาที่ไหนความสุขเนี่ยเรียนรู้ได้จากความทุกข์จากปัญหานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนพุทธภาษิตนะเคยบอกไว้ว่าแน่เธอทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ดีหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหล อ, องทุกข์ก็ดี ตถาคตเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในกายที่ยาวประมาณวา น, นึงที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจของคือที่ตัวเราที่กายที่จิตของเราเนี่ยอย่าไปหาไกลอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่เองสุภาสิตกล่าวไว้สวยงามมากเป็นสุภาสิตเก่าๆเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเคยได้ยินมาถ้ากล่าวไปว่าคนดีๆเนี่ยค้าใกล้ๆคนบ้าไบ้เนี่ยค้าไกลๆเพราะนั้นอย่าไปหานอกตัวที่ได ที่นี่แหละที่กายที่ใจของเรา